ธรรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน 2,555 มีชื่อเรื่องว่าพระกลัวผีวันนี้เป็นวัน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 วันนั้นวันนี้เป็นวันอุโบสถรักษาศีลอุโบสถของพวกเราก็ให้พวกเราคณะทุกท่านที่ได้ตั้งใจสมาทานศีนแล้วนั้นอย่าให้ขาดตกปกพ่องให้ศีนบริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อเราได้ตั้งสัตย์จะอธิษฐานลงไปแล้วอย่าให้ขาดตกปกพ่องที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่านี่คือยกหนึ่งเดือนหนึ่งเราแพ้หรือเราชนะ ถ้าเราชนะก็เป็นอันว่าเรารักษาศินอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้เรารักษาศินบริสุทธิ์บริบูรณ์แต่ถ้าว่าเราแพ้ก็เหมือนกับว่าเรามีภารกิจธุรกิจหรือว่าหลงเลงก็เลยล่อยหลอหลุดลุยไปแต่ถึงยังไงถึงจะไม่ได้รักษาตามกําหนดวันเวลาก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านรักษาศิน ชดเชยก็ยังได้นะสมมติเออเมื่อวานเป็นวันพระแต่เราไม่ได้รักษาศีลเพราะเรากิจธุระภาระกับพี่น้องพ่อแม่มีความจําเป็นอย่างมากเราหลีกเลี่ยงหนีไม่พ้นเราต้องไปจุดนั้นก่อนแต่เอาเถอะวันนี้เมื่อภาระนั้นผ่านไปแล้วเรารักษาศีลเพิ่มเติมอีกวันหนึ่งเพอเพอทําไมมันยังมันยังลดงแถมอีกสองวันก็ยังได้ฮงนี่แหละอันนี้ก็คือคุณงามความดีทั้งนั้นอนะ่ะทางว่าเรามี ขาดแล้วก็ขาดไปเลยอทะลุไปเลยขาดไปเลยสินด่างพร้อยไปเลยอันนั้นไม่ดีอสินขาดเหมือนกับผ้าขาดถ้ามันขาดแล้วก็ไม่ปะไม่ชุนมันก็เป็นรูโวอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่น่าดูอถ้าว่ามันขาดไปแล้วเมื่อเราไม่ได้รักษาสินที่มันขาดไปแล้วเราก็มันขาดไปแล้วชนนั้นเราคอยกลับมาปะมาชุนใหม่อีกมาเย็บใหม่อีกให้มันแน่นหนามั่นคงขึ้นเออถ้าไม่จําเป็นข้าพเจ้าจะไม่ให้สินขาด ในพรรษานี้ควรจะย้ำในจิตใจของตนเองเข้าไปอีกเนะี่ยเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะรัตวาญาติโยม ท, ทุกทท่า น, นะสิ่งที่จะสร้างคุณงามความดีนะมันยากนะไม่ใช่มันง่ายนะมันยากแต่ถึงจะยากหรือง่ายอย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติแต่ไปทางที่เรามันเคยไปนะมันง่ายเหมือนกับน้ำานะ่มันไหลลงทางต่ำนะมันง่าย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 ให้มันเกิดประโยชน์นี่แหละถ้าว่ามันไม่เกิดประโยชน์นเราไปทำไปทำไมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผฝากไว้กับพุทธาศาส น, นิกระชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาร่วมกันรักษาศีลในวันนี้อตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนะโมตัสสะภควะโตอรหะอัอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าว สัมโมตธนิยกฐานและ ว, วสิ่งที่ควรพวกเราควรจะรับรู้รับทราบเพื่อเป็นการศึกษาให้แก่คณะสัทธา ญ, ญาติโยมวันพระหนึ่งพวกเราจึงจะได้มาวัดหรือนานนานบางท่านก็นา น, นานได้มาวัดเมื่อมาถึงวัดแล้วก็ควรจะได้ยินพระสงฆ์หรือว่าครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ข้างในคืออยู่ในวัดจะได้แสดงความคิดเห็นและแสดง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 ก็เป็นการให้การสนับสนุนบริษัทดังนั้นบริษัทของเราก็คือเป็นบริษัทอบรมทางด้าน จ, จิตใจพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านแนะนําแก่ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติ ต, ตามธรรมคาสอนอย่างพระสงค์ในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าในเมื่อท่าได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกสู่ป่าโรงพงไพ ไปสู่ในที่สงบสงัดไปหาภาวนาในที่สงบสงัดอันนั้นคือเป็นประเพณีในครั้งพุทธกาลในครั้งนี้ก็เถอะเมื่อได้ศึกษาธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อได้รับธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อตามจริงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอย่างหลวงปู่มั่นอย่างนี้คือต้นตระกูลของพระครรมฐานในยนุคนี้แต่ยุก่อนมีไหมหลวงพอมีแต่สมัยนั้นท่านไม่ได้ดบันทึกเอาไว้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 แต่หลวงปู่มั่นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นมีไหมมีก่อนอาจารย์หลวงปู่มั่นมีไหมมีเป็นทอดกันมาเมื่อได้รับฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นเมื่อเราได้รับไ้ฟังธรรมเทศนาของท่านครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็มีหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เขาหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่แหวนหลวงปู่ที่พวกเรายินที่ดัง ในยุคนี้สมัยนี้มีมากคือเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มันจนลูกศิษย์ลงตามหาบัวหลวงปูล่าอันนี้ก็คือเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูมัน่นผลสุดก็เป็นรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กแตถ้าจะว่ารุ่นสุดท้ายก็ไม่น่าจะผิดรุ่นลงตามหาบัวรุ่นหลวงปูล่าเนี่ยพราะท่านอยู่จำพรรษาเป็นปีสุดท้ายอยู่กับองค์หลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นมรณภาพปี2492จากนั้นก็ได้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 หลวงปู่มั่นเคยมาแถบนี่นะแหละแถบอำเภอบ้านผือแปลว่าทุกหัวและแห่งของภาคอีสานท่านมาอยู่บ้านคอนานาลายท่านก็เคยมาจําพรรษาดูสิทางเวียงจันทร์ท่านก็เคยไปแล้วก็นี่น้ำตกจุงทองนะอยู่ใกล้ๆเราเนะี่ถ้ำหลวงปูมงป่มั่นหลวงปู่มั่นทําไมมาอยู่ขนาดนี้แต่ขนาดนี้ก็เกิดเมื่อไม่นานมาเนี่เมื่อ10 10กว่าปีให้หลังใครจะขึ้นอยากจะขึ้นไปอยู่ตรงเนี้ยนะ เป็นหน้าผาสูงชันอีกต่างหากแต่หลวงปู่มั่นมาอยู่นี่แหละท่านมาส่อแสวงหาทางพ้นทุก์มาส่อแสวงหาการประพฤติปฏิบัติส่อแสวงหาความสงบนะแล้วก็ท่านก็มาอยู่บ้านโนนสว่างนี่เองนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยไปทุกหัวและแห่งเพื่อหาความสงบเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าท่านไม่ไปนะท่านไปส่อแสวงหาที่สงบ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 ละโลกหรือว่าจากโลกนี้ไปต้องได้จากแน่ๆนะไม่คิดว่าใครจะไม่จากไม่ใช่ดังนั้นคิดปิดเฉแล้วต้องคิดใหม่พวกเราจะต้องจากโลกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อจากไปเนะื้อมันไม่ศูนย์อันนี้ก็คือท่านได้ศึกษามาแล้วเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูใบอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนลูกศิษยานุศิษย์จังว่หวอนอกจากนั้นให้ภาวนานะเนอะเมื่อรักษาศีลเสร็จแล้วให้ภาวนาทําจิตใจให้สงบเอ ถ้าอยู่ในบ้านในเรือนของว่ายพระสะกรเมื่อว่ายพระเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาหานาทีสิบนาทียี่สิบนาทีอย่างน้อยสักหานาทีก็ยังดีแต่เละาวันหาโอกาสวันหนึ่งคืนหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงนั่นเราจะไม่มีเวลาขนาดนั้นเชียวเหร อ, อถ้าว่าไม่มีเวลาเเลยก็แสดงว่ากิเลสภายในใจของเราโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจของเราเอาไปกินหมดไม่มีธรรม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 มาสู่จิตใจของเราอย่างน้อยก็ไหว้พระรักษาศีลแล้วก็นั่งภาวนาในภาวนาอย่างน้อยก็หนะ้นาทีสิบวนาทีพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนั่งสมาธิเหมือนพระประธานนั่งถ้าพระประธานนั่งอย่างไงเรานั่งอย่างนั้นแหละเราไปกลับไปถึงบ้านเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จเทร้อยแล้วเราก็นั่งเนี่ยแบบพระประธานนั่งเมื่อนั่งเสร็จแล้วเราก็บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธง่ายนะ ไม่ต้องมีคันหา่าไม่ต้องขึ้นคูขึ้นคลายอะไรทั้งหมดลนะพอนั่งขัดสมาธิแล้วกั บ, บริกรรมพุทโธพุทโธแต่ว่าต้องเลือกสถานที่ไม่ใช่ว่าคนวุ่นวายอย่เราไปนั่งมไม่ไม่ได้ต้องดูในมุมสงบ เ, เขาหลับเขานอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาปิดพิทยุโทรทัศน์แล้วโทรศัพท์ของเราก็ปิดอกีกไม่ให้มีเสียงในช่วงนั้นมันจะรวยมันก็รวยมันจะจนมันก็จนนั่ น, นแหะเราปิดไว้ก่อนอย่าไปยุ่งเหงื่อวุ่นวายกับโลกจนเกิดไปปิดไว้ จากนั่ง น, น, นั่งภาวนานพุโทโธพุโทโธพุโทโธได้กำหนดแล้วยังค่อยออกมาจากสมาธิอันนี้แหละเป็นการฝึกขัดทางด้าน จ, จิตใจอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนสำหรับศรัทธา ญ, ญาติโยมสำหรับฝ่ายพระสงฆ์แล้วไม่ต้องมากกว่านั้น เ, เวลากลางวันออพอฉันยังหันเสร็จแล้วนะถ้ามีโอกาสไปเดินกมนั่งสมาธิหามุมสงบหาที่สงบสงัดหาที่หลีกเล้นภาวนา อันนี้คือฝ่ายพระสงฆ์ไม่ว่าในครั้งนี้ในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระพุทธองค์ก็แนะนําสั่งสอนพระสงฆ์ใคร่าท่านเป็นหมู่ใหญ่เพราะคนมันมากสมัยนั้นประเทศอินเดียบางทีกกลุ่มละร้อยส0งกลุ่มละสามสิบตีสิบางกลุ่มก็ใหญ่กลุ่มละ500ยก็มีในเมื่อพระสงฆ์เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพท่านก็คงจะเป็น เชื้อกษัตริย์และเชื้อพราม์มีวงสาคนาญาติมากพอบวชแล้วก็มีบริวารเป็นมีมีแนวความคิดในทางแนวแถวเดียวกันคนถึงจะมีมากขนาดไหนก็เถอะนะถ้ามันไปคนละทิศ ท, ทางแล้วก็คือมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกคนหนึ่งอยากจะเที่ยวคนหนึ่งจะไปภาวนามันเข้ากันกันไม่ได้แต่ทุกคนอยากจะภาวนาอยากจะเาะแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยกันมันเข้ากันได้ คนระดับไหนมันเข้ากันได้ระดับนั้นคนขี้เหล้าก็เข้ากับคุณคนขี้เหล้าคนขี้โบกขี้เบี้ยขี้การพนันมันก็เข้ากันได้คนขี้บาดขี้เบื่อมันก็เข้ากันได้คนหวังอัดหวังทำมันก็เข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มใครกลุ่มเราอย่างลุงปูร่าท่านพูดกลุ่มแมลงพึ่งกักลุ่มแมลงพึ่งกลุ่มแมลงผู้กลุ่มแมลงวันเขียวเอมันก็กลุ่มของใครของเรานี่ก็เหมือนกันกลุ่มพระสงฆ์ทั้ง 500 อ, องคเ์เมื่อฟังทมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็เออปักพวกเราเข้าป่าหาภาวนาหามุมสงบจากนั้งก็เดินหาเที่ยวไกลไปตึงไกลไปตึงร้อยกว่ากิโ ล, โลจากวัดป่าเชิตะวันพอไปก็ไปในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนั้นก็ติดติดป่าดงป่าดงเีกว่าไพยสนก็ว่าไพยสนคือเป็นป่าที่หนาแน่น ก็ไปบินทบาทตอนเช้าพระสงฆ์ตั้งห0รสศรัทธา ญ, ญาติโยมก็แตกตื่นขันมามากะดูเลยเอาพระคุณท่านไปยังไงมายังไงพระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าก็บอกเอออาตมาได้ศึกษาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วอาตมาก็จะมาหาที่สงบสงัดภาวนาจํามะจิตใจไม่มีอะไรศรัทธา ญ, ญาติโยมเอาพระคุณท่านจะไปที่ไหนตรงนี้ก็มีอยู่นะป่าดงพวกขายินดีเพราะเป็นป่ารงใหญ่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 ให้เป็นที่พักของพระสงฆ์แต่นี้พระสงฆ์ท่านก็ไปภาวนาหล่าไปพอภาวนาในป่าเท่นี้นี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราให้ฟังเอาไว้ว่าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเทวดามีไหมภูมิลูกคาเทวดามีไหมผีมีไหมพูดพูดง่ายๆนะผีมีไหมคือถาาว่าพวกเราเห็นว่าถ้าหากว่าเที่พวกเรามองไม่เห็นตัวพวกเราว่าผีทิศทั้งหมดแต่ตามไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ผี คล้ยๆเขาบอกมันเป็นมันเป็นภูมิแต่และภูมิภูมิมะเทวดาคือพวกที่อยู่บนเอ่อจะ ง, งอนหินแล้วมังโคนหินเรีอกว่าจอมปลวกหรือว่าทำเลที่เนินที่ดูแลที่เนินที่ที่อยู่บนดินอันนี้เราภูมิมะเทวดาลุกขะเทวดาคือพวกที่อยู่ต้นไม้อันนี้ลุกขะเทวดาอากาศธาตุเทวดาอยู่ในในอากาศ แล้วก็สวรรษชั้นจาตูมตุสิตายามาตวติงนิมาราติสวรรษหกชั้นอันนั้นก็คือสวรรษแต่ทีพระสงฆ์ท่านเข้าไปอยู่ในป่าเทวดาภูมมะเทวดาลุกขะเทวดาอยู่ในบริเวณนั้น อ, อ, อยู่ในวัดของเราหนึ่งหลวงพ่อวัดต้องมีภูมะลุกขะเทวดาเพราะนั้นท่านเข้าไปไปภาวนาในป่าพอเข้าไปเลยเทวดา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 เคารพกราบไหว้พระผู้ทรงศิลป์พอต่อมาทีนี้เทวดาก็คิดว่าเอวันพรุ่งนี้พระคุณท่านคงจะไปหระมั้งแอ้พวกเราจึงค่อยขึ้นบนปราศาสตรของพวกเราที่พักของพวกเราแต่นี้พระสงฆ์ตอนเช้าก็ไปบินเบัตพอบินเที่ยวบัสก็กลับมาอีกกลับมาอีกวันพรุ่งนี้ท่านคงจะไปมั้งจัตไทยาญาติโยมคงจะนิมนต์ท่านให้อยู่พอทีนี้อยู่ไปอยู่ไปพระสงฆ์ไม่ไปถึง เทวดาแสดงว่าไม่มีสายสืบเหมือนกันแน่หลวงพ่อว่านะตามไม่จริงน่าไปสืบสอบไปชาวบ้านเนีพระสงฆ์เหล่านี้ไปยังไงมายังไง เ, เขาว่าอย่างไงก็น่าจะสืบสอบดูอันนี้เทวดาก็คงจะอยู่กับสถานที่เท่านั้นละ่ะคงจะไม่ได้ไปดูชาวบ้านเขาพูดกันอย่างไงกับพระสงฆ์ใช่ทีนี้พระสงฆ์ก็มามาอยู่ที่วัดมาอยู่ที่ภัยสนอย่างที่ว่านอยู่ในป่าเนะีพออยู่ไปนานๆเข้าทีนี้เคารพศรัทธาเลื่อมใสเนี่ย แต่ก่อนด้วยความาเคารพศรัทธาเลื่อมใสกลับเป็นอริศัตรูใชแล้วเท่าไหรคล้ายๆกับไม่พอใจเอาพระ ส, สงฆ์จะมาแย่งสถานที่ของพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยมันไม่ไม่สะดวกแล้วนะอทั้งฟ้าตกฝนดินเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่บนบ้านของเราเพราะท่านเป็นผู้เกรงขามเป็นผู้มีศินเราก็ขึ้นไปอยู่ที่สูงก็ไม่เหมาะพรานั้นพวกเราอยู่ในดินตงอยู่ในพื้นดินก็ไม่สะดวกสําหรับพวกเรา พอในสุดเทวดาก็ปรึกษากันเลยทอลูกขะเทวดาปรึกษากันเออเราจะให้พระสงฆ์เหล่านี้ออกไปยังไงนั่นนะวางแผนนั่นเลยทีพอต่อมาพระสงฆ์เหล่านั้นกับภาวนาอยู่ในป่าของใครของเราเงียบสงบเออบางทีเทวดาเหล่านั้นก็ได้ยินเสียงพูดพุมงพุ่งพอมๆขึ้นมาอ่าพวกนี้ก็ได้ยินเอ๊ะมันเสียงอะไรพระสงฆ์ก็คิดอะไรใช่ไหมอยู่ในป่าโอ้กลัวอย่างแล้วใช่ไหมยังเป็นพระปุตชนอยู่ใช่ไหม แต่ได้ก็ไปเห็นทางในยังกรมก็เห็นผีคอขาดอยู่พินหัวขาดเอ้ามันเชื้ออะไรหรอวะคนคนนั้นคอยเห็นองค์นี้คอเห็นเธอเดีเห็ น, น, เ, เ, หนเห็นสิ่งแปลกแปลกในสถานที่พักของตนเองจากนั้นก็พระสงฆ์เหล่านั้นก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาคนนั่นก่อจามคนนี้ก่อไอเธอวพรในโสกเลยพระสงฆ์ไม่มีความผาสุกในการเป็นอยู่จําพรรษาสามเรือนั้น พระสงฆ์ก็เลยประชุมกันโอ้อันนี้ไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่สับายยะสําหรับพวกเราเสียจแล้วพวกเราควรจะออกจากที่นี่นะพอออกพรรษาเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็บรว่าไปแบบเปิดแหนบเปลืงั้นแต่ลักษณะอย่า ง, ง น, นะานั้นอ่ะพระห้าร้อยตนี้ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนมาเนี่ยก็กราบพระพุทธเจ้าก่อนลาไปภาวนาในเมื่อไปภาวนาแล้วมีอุปสรรคอย่างไรก็ไปกราบพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าถามวาพระสงฆ์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 พระพุทธองค์ก็บอกไปไปกลับไปภาวนาที่เก่านั่นแหละเนี่ยพระสงฆ์กโอ้จะให้พวกข้าพระองค์ไปเหลือพวกใครๆว่ายังหวาดยังกลัวอยู่งั้นเออไปนะไปภาวนาจุดนั่นละพวกท่านจะได้กำลังจากนั้นพระสงฆ์ก่อนพระพุทธองค์ก็ให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 แสวงหาทรัพย์ในดินสินในน้ำไม่ได้มาส่อแสวงหาเพื่ออย่างอื่นเรามาเพื่อส่แสวงหาทางพ้นทุกข์ไม่ได้หวังอะไรทั้งหมดจะเป็นเทพเจ้าเราเทวาท่านใดก็ตามจะมาทําอะไรกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้มุ่ง ห, หวังอะไรทั้งหมดข้าพเจ้าหวังความพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารถึงแดนพระนิพพานให้ตั้งใจอย่างนั้นอันนี้คือความก ล, กล้าหาญและใครเป็นผู้มีความซื่อสัตย์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 ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนานี่อันนี้คือความอ่อนโยนในจิตใจจากนั้นพระสงฆ์กลับไปคราวนี้เออินได้รับธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่ในป่าเทวดาเห็นโอเกิดความเคารพนับถือเรื่มใส่ศรัทธาแปกแตกต่างกว่าครั้งก่อนๆที่มาทีนี่ใครเข้าว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลย ให้ความเคารพอย่างสุดเสื้อต่อพระสงฆ์500รนั้นจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อได้รับความผาสุกคณะจัทตารยายโยมเขาก็ใส่บาตรทำบุญตามอัตภาพเทวดาภูมิมะลุกขะเทวดาก็ให้ความเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารีแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระสงฆ์เหล่านั้นก็ตั้งใจภาวนาพอตั้งใจภาวนาจิตใจของพระสงฆ์เหล่านั้นเข้าสู่ความสงบ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 ร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงนะอีกสักวันหนึ่งนะไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องแตกต้องฉลายลงสูง่ดินน้ําลมไปเพราะฉนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายให้พิจารณาให้ปล่อยวางให้เอาชนะกับพยามาลพยามาลคําว่าพยาบาลคล้ายๆว่ามา น, ะะมานตัวนี้คล้ายๆวะ่าร่างกายสรางขันเป็นของเราเลยมานมันยึดนะให้พวกท่านทั้งหลายเอาชนะมนันคืออย่าไปคิด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 อย่างที่หลวงพ่อได้พูดสิ่งภายนอกมีไหมในครั้งพุทธกาลเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่าเทวดาไม่มีภูมิมะลุกขะเทวดาไม่มีไม่ใช่มีแต่เขาจะอยู่ตามของเขาคล้ายๆกัาอยู่ในกลุ่มของใครของเราเออมนุษย์ก็อยู่ในกลุ่มของมนุษย์สัตว์กิเลสฉานก็อยู่ในสัตว์กิเลสฉันปลาก็ยังเป็นปลาพวกแมลงผู่แมลงพึ่งก็เป็นกลุ่มของใครของเราอันนี้มันอยู่ในโลกนี่ก็เหมือนกันนะ่ะ พวกเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรพวกมุ่งหวังแต่ความพาสุขและพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารแต่จัดถึงยังไงจึงจะถึงแดนพริพพันธ์ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้เพระาะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะในวันนี้เป็นวันพระหนึ่งเดือนพอดีครบเดือนพอดีครบเดืดิวพอดีเดือนหนึ่งเพระาะนั้นขอเ้อนหลังดยซิว่าข้าพเจ้ารักษาศีล ทำคุณงามความดีไว้พระสวดมนต์ในเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยขาดตกบกพร่องไหมตามที่ข้าพเจ้าที่ตั้งใจเอาไว้ถ้าว่ามันขาดตกบกพร่องก็พยายามทําให้มากขึ้นอย่างที่หลวงพ่อพูดถ้ามันขาดวันหนึ่งเราก็พ่องพยายามทําให้อีกรักษาศีลอีกสองวันเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยราะมันไม่ให้มันขาดไม่ใช่วันขาดก็ขาดเลยเหมือนกับผ้าขาดไปที่ไหนก็นเห็นแต่ผ้าขาดเออ เสื้อขาดผ้าขาดมันก็ไม่ดีเป็นรูโหวอยู่ยงั้นไม่ดีนะอย่างเมื่อมันขาดแล้วก็ปะชุนจช่เย็บให้ดีให้เรียบร้อยนั้นก็ให้พวกเราทุกท่านนะคานาสัตยา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าตั้งอกตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนะี่ยพระสงฆ์ท่านภาวนาเห็นเห็นร่างกายเนี่เป็นเหมือนกับภาชนะดินภาชนะเนี่ยคือจานดินห ม, นม่อน้ํำคุดินกระป๋องดินโอ่งน้ําดินพร้อมที่จะแตกในทุกเวล่ำเวลา ไม่ได้บอกเวลาว่าจะแตกนั้นเดือนนั้นปีนี้มันพร้อมที่จะแตกร่างกายของเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านพระสงฆ์เหล่านั้นท่านเห็นอนิจจังต่างกายเป็นเป็ น, ปนร่างกายเหมือนกับภาชนะดินพระพุทธเจ้าก็เสือมชายร่างกายเหมือนภาชนะดินจริงๆพระสงฆ์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้นะนเนี่แหละอันนี้คือทำความสอนของพระพุทธเจ้าเตือนพุทธบริษัท4อย่างพวกเราท่านทั้งหลาย อ้าต่อนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร